ยังไม่เคยเห็นเนาะเห็นยากทีเห็นแต่ในหนังนนน่อกัับีะพาจจท ช้อนจานถ้วยชามอะไรก็ได้ยิกันที่เคยทาก็จะทำเหมือนเป็นปกติคือหลังจากตายไปแล้วหลังจากผูกคอตายแล้วก็คือหลังจากตอนยังโศกก็มาอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็มไม่ไใจคือมาในความรู้สึกของคนที่รู้สึกว่าเขามาใช่ไหมใช่ อ, อันนี้คื อ, คอเขาก็คุยกั เขาเรียกว่าสวดถอนวิญญาณนนคือหาควาว่าสวดแล้วก็คือถอนแล้วให้ไปอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่ว่าพระที่ทําพิธีนั้นเขามีวิธีการอย่างไรที่ทําให้วิญญาณอยู่ในการควบคุมหรืออยู่ในขอบเขตอะไรหรือจะเขาพยายามจะทําพิธีเพื่อส่งวิญญาณไปที่ไหนหรือยังไงอย่างเงี้ยมันอยู่ที่พระที่มาทําพิธีสวดถอนวิญญาณหรือว่าทําพิธีตัด ตัดนะมันเขาทำยังไงมันขึ้นอยู่กับพแต่ก็ได้แค่ชั่วคราวเ<ช>พราเพราะเมื่อพอเสร็จพิธีแล้วอาจจะดีขึ้นแต่พอสักพักมันก็กลับมาเป็นปกตินั่นแหละเขาก็ยังวนเวียนอยู่ค น, นเนนหมือนเดิมอ่ะก็ยังอยู่เขา อ, อาจจะถูกคมด้วยอำนาจของคาถาอาคมอยู่ในสักระยะหนึ่งนะสะกดไว้อ่ะ แต่พออำนาจสะกดคลายเขาก็กลับมาอยู่ปกติเป็นเรื่องจริงไม่มจําเป็นต้องเชื่อเพราะเป็นความจริงความจริงไม่ต้องใช้ความเชื่อแต่เป็นความจริงอย่างนั้นอยู่แล้วการใช้ความเชื่อยังไม่ใช่ความจริงเพราะต้องใช้ความเชื่ออยู่ว่ามันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้แต่ถ้าความจริงแล้วมันอยู่เหนือความเชื่อคือความเป็นความจริงเลยเป็นความจริงอยู่แล้ว ก็หลักพุทธศาสนาก็อุทิศกุศลให้เขาอยู่กับเราพ้อก็ต้องอยู่เพราะเราไล่ให้เขาไปตายมันไม่ใช่เราคนที่ญาติญาติอะเขาบอกไล่ให้เขาไปตายอย่างเงี้ยไปตายถ้ไปเขาก็ไปผูกคอตายอย่างเงี้ยนั่นเพราว่าเขามีสัญญาณการผูกคอตายมาไม่รู้กี่พกกี่ชาติแล้วหากเขาไม่สามารถหยุดหยุดการผูกคอตายในครภบชาตินี้ได้เขาจะต้องผูกคอตายอย่างเงี้ยไปจนกว่าจะครบ500รอชาติ เป็นการทำไปจนเบื่อทำจนผูกคอตายจนรู้สึกว่ามันน่าเบื่อเขาก็จะเลิกผูกคอตายอีกอพอเขาเขยังเข้าใจอยู่ว่าการผูกคอตายเป็นทางออกของชีวิตก็คือกูตายไปแล้วทุกคนคงจะสบายใจทุกคนคงจะดีก็เลยผูกเลือดขอบผูกคอตายแต่วิญญาณไม่ตายคือคนอ่ะตายสภาพมนุษย์อ่ะตายแต่หลังความตายไปแล้วสภาพวิญญาณยังมีอยู่นะฮะก็ยังต้องวนเวียนอยู่คนจะให้เขาไปอยู่ที่ไหน ที่ไปมันมีแต่ว่าเขาไม่ไปเขาเพราะว่าสัญญาณการไปมันไม่มีเหตุปัจจัยอํานวยพอที่จะให้เข้าไปสู่ภพภูมิแต่การที่เขาเป็นโลกอยู่ในโลกของวิญญาณหรือโลกของชาวทิพย์ก็เป็นภพภูมิหนึ่งที่เขาจะต้องวนเวียนอยู่กับมนุษย์ซึ่งเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการวนเวียนอยู่ในกันและกันแล้วมนุษย์เมื่อรู้ว่ามีเขาวนเวียนอยู่แล้วนิมนต์พระมาทําพิธีสะกดวิญญาณหรือว่าทําพิธีการสวดถอนหรือขจัดปัดเป่าหรือทําพิธี ตัดอะไรสักอย่างนึงตัดสัญญาณตัดความเกี่ยวข้องก็ทําได้แค่ชั่วครั้งชั่วคราวมันไม่ได้ถาวรพออํานาจแห่งการสะกดวิญญาณคายออก พ, พอกวกบเขากว็วนเวียนอยู่คนเหมือนเดิมทางพุทธศาสนาจึงไม่ปฏิเสธความมีอยู่ของสิ่งเหล่านี้ดวงกิจดวงวิญญาณพวกชาวทิพย์ทั้งหลายเนี่ยมีวนเวียนอยู่กับมนุษย์ยูมาแต่กัรไหนไหนอยู่แล้วคือมีความเชื่อมโยงกันมาแต่กัรไหนไหนมนุษย์ผีเทวดาเปรตเนี่ยมันมั น, ม, นมันเกี่ยวข้องกันอยู่ที่ทุกที่ เราเราทำไมถึงมีเจ้าที่เจ้าทางทําไมมีสารพ่อภูมิก็คือความเกี่ยวข้องระหว่างมนุษย์กับเขาดำมีอยู่แต่วิธีปฏิบัติต่อมนุษย์ระห ille, วา่างมนุษย์ปฏิบัติต่อเขามนุษย์ปฏิบัติผิดสารพ่อภูมิก็ไปสร้างสร้างสารให้เขาอยู่มีรู้ว่ามีพระภูม <c oughs> ิเจ้าที่ก็ไปสร้างสารให้เขาอยู่อันนี้ปฏิบัติผิดรู้ว่ามีผีก็หาเครื่องป้องกันอันนี้ปฏิบัติผิดรู้ว่าญาติที่ตายไปบนเวียนอยู่กับพวกเราแล้วก็มาสวดพิธีขับไล่ก็ปฏิบัติผิด เป็นญาติแท้ๆยังไปขับไล่เขาไปทําไมพระเจ้าจึงยอมรับว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่คู่กับชีวิตมนุษย์เมื่อเป็นสิ่งที่มีอยู่ควรจะอุทิศส่วนกุศลให้นี่คือวิธีปฏิบัติที่ดีที่สุดปูชาปูเชยันติมานิตังมานายันตินังการบูชาในทางพุทธศาสนาคือการอุทิศส่วนกุศลให้ในเรื่องที่เกมาถึงคนตายเนี่ยเจะอยู่ในครอครัอะไรก็แล้วแต่ปูจิตปูใจของใช่ใช่ใช ยังไงเขาก็ต้องอยู่ในฐานะที่เขาต้องอยู่อย่างนั้นไปเปลี่ยนฐานะเขาไม่ได้จะหลุดพ้นหรือไม่ก็แล้วแต่มันไม่หลุดพ้นไปได้ง่ายพูดที่หลุดพ้นมีแต่พระเดียเจ้าพระโสดาบันสกาทาคาเมนาคาเมนั น, านอาณาจักรสกาวะอันที่วนเวียนอย่างนี้คะ่ะยากยากไม่ใช่ง่ายๆต้องอุทิศสุงสศนไปให้มากมากก่อนก็มีส่วนหากไปอยู่ใกล้ใครหากดวงวิญ ญ, ญาณที่ผูกคอตายเนี่ยคือฆ่าตัวตายไปอยู่ใกล้ใคร คนนั้นก็จะมีความรู้สึกอยากผูกคอตายหรืออยากฆ่าตัวตายเหมือนกันสัญญาณจะกระทบกันหากดวงวิ ญ, ญญาณพวกนี้ไปอยู่ใกล้ใครคนนั้นน่ะเขาจะมีกระแสความคิดเข้ามาเลยอยากผูกคอตายบุญอันไหนที่จะนําให้จิต ด, ดวงวิญญาณพนี้คนจับใครพระรัตนไตายบุญที่เกิดจากการนับถือพระรัตนาตาลัยเราต้องสอนให้เขาเข้าถึงรัตนาตาลัคือคนที่ตายไป น, นนะดวงจิต ด, ดวงวิ ญ, ญญาณดวงนั้นะญาติที่ตายไปน่ะ ให้เขารู้จักพระราตนาไตยแล้วเขาอธิษฐานเข้าถึงพระราตนาไตยเขาก็จะพ้นยังไปเปิดเทพให้เปิดในบ้านนี้เขาได้ยินนะคะเขาได้ยินแต่เขาจะใส่ใจไม่ตรงนี้สําคัญอยู่แต่ถ้าเขาใส่ใจที่จะฟังเขาน้อมรับเขาอยากจะเปลี่ยนเปลี่ยนภพภูมิตัวเองเขาเขาก็เปลี่ยนได้โดยการน้อมใจรับฟังธรรมะเนี่ยเขาก็เปลี่ยนตัวเองได้แต่ถ้าเขาไม่สนใจยังไงก็เปลี่ยนเขาไปได้จะสะกดวิญญาณยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ ใช่ใช่เหมือนมนุษย์เราดิหนนยลย <c oughs> นี่แหละมนุษย์เราเวลาอยู่ด้วยกันไม่รักษากันให้ดีไล่กันไปตายม ไ, ไปตายสบายอะไรเงี้ยบางทีแม่จะพูดเล่นๆแต่คาพูดเนี่ยมันมี <c oughs> ผลกระทบต่อจิตใจคนจิตใจคนนีอ่อนไหวมากนะคําพูดเนี่ยโดยเฉพาะกับญาติกับพี่กับน้องกับคนที่เกี่ยวข้องกันจะโทษคนพูดฝ่ายเดียวก็ไม่ได้ก็ไม่ได้อีกใช่ไหม ก็เป็นส่วนหนึ่งเพราะเขาคิดได้อย่างนั้นเขาคิดได้ว่าเออกูตายแล้วทุกคนดีใจทุกคนพอใจทุกคนสบายใจก็ฆ่าตัวตายดีกว่าเขาคิดว่ามันดีกว่าไงจริงๆไม่ด้ดีกว่าเลยก็มีส่วนใช่มีส่วนเพราะคนพูดก็ได้สร้างกรรมทางวาจาไว้จะไปอยู่ที่ไหนก็ต้องได้รับคำพูดที่เป็นกระแทกแดกดันกระทบกระทั่งกันอย่างนี้ ไปอยู่ที่ไหนก็ตามผลกรรมนี้ก็ยังจะติดตามไปพระเจ้าจึงสอนให้สํารวมกายวาจาใจให้ตั้งจิตเมตตาต่อกันและกันอยู่เสมอกายให้มีเมตตาวาจาก็ให้มีเมตตาอย่าไปพูดกระทบกระแทกเหยียดย้ำดูหมิน่นพูดอะไรเน็บแนมกันกระทันกระแทกกระทันกันพูดกันไปในด้านที่มันไม่ดีอะไรประเภทนี้ไม่ไม่คือความรู้สึกของคนมันปรุงแต่งได้ทั้งดีและไม่ดี ถ้ปรุงแต่งดีก็ยังโอเคดีแต่ถ้าัปรุงแต่งที่ไม่ดีมันก็นําไปสู่นี่แหละการฆ่าตัวตายได้ความคิดของคนมันไม่หยุดนิ่งมันคิดไปเกินกว่าความเป็นจริงมากพูดแค่นี้แต่การคิดของเขาคิดไปมากกว่าความเป็นจริงและบางคนมันจริงจังกับชีวิตมากคําพูดแค่นิดหน่อยมันก็เอาเป็นจริงเอาเป็นจัง fleet. จนจะเป็นจะตายไอ้คนเราเนี่นแหละมันที่มันทุกข์เอาทุกข์เพความจริงจังมากเกินไปผู้อยา่บอกให้เดินทางสายกลางการที่จะปรับจิตให้สู่ทางสายกลางได้นี่ ผลก็ยังไม่เข้าใจเขามากางคืออะไรผลเอาจริงเอาจังเอาเป็นเอาตายที่สมเด็จสังฆราชท่านก็บอกว่าพวกนักบ้าเหตุบ้าผลบ้าถูกบ้าผิดบ้าดีบ้าชั่วอยู่บรจักอีกสักหน่อยก็เป็นพวกบ้าประสาทพวกบ้าดีแต่อะไรประเภทนี้ไม่ไม่ชอบปรับจิตให้อยู่ในทางสายกลารทางสายกลางนี้ผิดบ้างถูกบ้างไม่เป็นไรแต่ให้ร่วมเป็นมันมีโทษมีประโยชน์อะไรยังไงอย่างเงาเข้าใจไหมอย่าเอาความผิดความถูกไปทําร้ายกัน อย่าไปเยาสิ่งเหล่านี้ไปไปทำลายกันให้เดินไปทํางสายสายกลางให้มันได้ปรับใจให้อยู่ในร่องของความเป็นกลางนี่คือหลักสําคัญในทางปริศนาที่ไม่มีใครสอนชาวโลกเขายึดถือเหตุผลเกินไปถ้ายึดถือแต่เหตุผลก็ไม่รู้จักปล่อยวางไม่ได้หรอกเราไม่รู้จักการปล่อยวางยึดอยู่นั่นเนี่บางเรื่องไม่มีเหตุมีผลก็หาเหตุผลเข้าไปรองรับให้มันมีเหตุมีผลขึ้นมาเพื่อที่จะทําให้ สิ่งนั้นให้เป็นเหตุเป็นผลขึ้นแล้วก็เป็นเครื่องอำนวยให้ตัวเองกระทาสิ่งนั้น น, น, นั้นได้ทั้งท่าที่บางทีก็ไม่มีเหตุมีผลอะไรเลยมันก็ยึดกันอยู่อย่างนี้ผู้เจ้าวางพวกนี้ทั้งหมดเลยผูกก้บอกปรับจิตให้สู่ทางสายกายเขาด่ามามันจะไปตายก็ไปนี่ก็จะไปตายตามเขาว่าก็ปรับจิตตัวเองเนี่ยตัวเราก็คือตัวเราเราจะไปตายทําไมอยย่างี้เราเป็นเจ้าของตัวเราคนอื่นไม่ได้เป็นเจ้าของตัวเรา พอคิดอย่างนี้ได้มันก็ไม่ฆ่าตัวตายก็หยุดกรรมที่เคยทํามาที่เคยฆ่าตัวตายมาไม่รู้กี่พบกี่ชาติก็จะหยุดในชาตินี้พอหยุดในชาตินี้ปั๊บมันก็ไม่สืบต่อไปชาติต่อไปถ้าได้ฆ่าตัวอย่างนี้อีกก็จะได้ฆ่าไปอีกเรื่อยๆแต่ไม่มีที่สิ้นสุดจนกว่าจะครบห้าร้อยหรือจนกว่าจะเบื่อหนายบางทีก็ยังพอใจที่จะฆ่าตัวตายอยู่ก็จะเกิดแล้วฆ่าตัวตายเกิดแล้วฆ่าตัวตายอย่างนี้ไปอีกเรื่อยๆคนที่พอใจฆ่าตัวตายมีนะไม่ใช่ว่าไม่มีนะนี่ เข้าใจว่านี่คือการตัดปัญหาแล้วก็จบปัญหาและสิ้นปัญหาต่างๆในชีวิตได้ไม่จบไม่สิ้นถ่าตัวตายแบบตายแล้วแบบเป็นพระอริยเจ้าอันนี้สิ้นจบจริงเช่นพระโคโคทะหรือเทระใช่หรือเปล่าไม่แน่ใจนะโคทะโคจะไม่จำไม่แม่นที่ทาชาแล้วเสื่อมทาชาแล้วเสื่อมก็เลย เบื่อหนายจังเว้ยว่ะรักษาชานไว้ไม่ได้ก็เลยเอามีโดโกนมาปาดกั้นฟอตัวเองเห็นเลือดออกมาปุ๊บเกิดวิปัสนาญาณขึ้นเห็นเลือดพอเกิดวิปัสนาญาณขึ้นก็จิตเดินเนินเข้าไปสู่ทางอริยมรรสสิ้นสักวาคิเลสโคธิกะโคธิก ะ, กะเสีละอันนั้นตายแบบมีปัญญานนะไปเป็นพระอระหันต์ฆ่าตัวตายแบบมีปัญญา น, นั้นคือดับการเกิดทั้งมวล ไม่ต้องมาเกิดตายเกิดตายฆ่าตัวตายอีกอเ น, นี้ยการฆ่าตัวตายมันก็มันมีทั้งฆ่าตัวตายแบบดีและแบบไม่ดีถ้าฆ่าตัวตายเป็นก็ได้ไปสวรรค์ก็มีนะแต่ถ้าฆ่าตัวตายไม่เป็นก็ไปเป็นวิญญาณนะลาบากต้องรอผลบุญที่มนุษย์อุทิศให้ ก็เราเราเรียนรู้แล้วว่าสารพ่อภูมิเป็นที่อยู่อาศัยของพ่อภูมิพ่อภูมิอยู่ในฐานะของเทวดาผู้สถิตพื้นดินภูมิคือภาคพื้นดินเข้าใจไหมภูมิเนี่ยเรภาคพื้นดินเทวดาสถิตตามภาคพื้นดินทีนี้ทําสารพ่ภูมิแล้วยกพ่อภูมิเทวดาสถิตภาคพื้นดินเนี่ยให้ไปอยู่ในสารพภูมิโดยฐานะแล้วมนุษย์ ในโลกมนุษย์นี้มนุษย์สูงส่งกว่าเทวดานะโดยฐานะนะเพราะนี่คือโลกมนุษย์ไม่ใช่โลกไม่ใช่เทวโลกแต่ถ้ามนุษย์ไปเทวโลกเทวดาสูงส่งกว่ามนุษย์เราต้องเคารพเขาแต่ถ้าเทวดาลงมาสู่โลกมนุษย์มนุษย์สูงส่งกว่าเขาเขาต้องเคารพเราภู ม, มิพระภู ม, มิเทวดาสถิตพื้นดินต้องเคารพมนุษย์เพราะอะไรเพราะหวังบุญจากมนุษย์อยู่เขาลงมาสถิตในโลกมนุษย์เพื่อหวังขนบุญจากมนุษย์เข้าใจไหม แต่มนุษย์ไม่เข้าใจใ<ช>ไม่เข้าใจว่าเทวราที่ลงมาสถิตโลกมนุษย์เนี่ยเขาหวังผลบุญจากเราเมนุษย์ไม่เข้าใจไปยกเทวราให้ขึ้นเป็นที่สูงแล้วกราบไหว้เขาผู้ใหญาบอกผิดเพราะว่าศัก์และฐานะของมนุษย์ซึ่งสูงส่งกว่าเขาเขาอยู่ต่ำกว่าเราเขาต้องไหว้เราไม่ใช่เราไปไหว้เขานะ ห, นหากเราไปไหว้เขาก็จะทําให้ลดฐานะตัวเองลง ฐานะผู้มนุษย์ผู้เป็นผู้ประเสริฐผู้สูงส่งของเขาเนี่ยลดฐานะตัวเองลงแล้วยกยกผู้ที่ต่ำต้อยกว่าตัวเองขึ้นไปสู่ที่สูงแล้วกดตัวเองลงให้อยู่ในฐานะต่าเป็นการลดลดอะไรศักยภาพตัวเองลดลดคุณภาพตัวเองลดธรรมชาติที่ดีที่ประเสริฐของตัวเองลงอย่างเงี้ยคือวิธีปฏิบัติของเราที่เป็นมนุษย์เราก็ต้องทใช่ เรามนุษย์นี่มีคุณสมบัติที่ดีที่เลิศที่ประเสริฐกว่ากว่าเทวดาทําไมถึงพูดอย่างนั้นก็การที่จะไปเป็นเทวดาก็ต้องอาศัยความดีจากมนุษย์ที่มนุษย์กระทาไม่ได้ไปทําตอนเป็นเทวดานะทำตอนเป็นมนุษย์นี่แหละจึงได้ไปเป็นเทวดาการที่เทวดาเขามาสถิตินนแปลว่าเขาทําคุณงามความดีในขณะที่เป็นมนุษย์น้อยมีบุญน้อยบุญตา่าจึงมาสถิตอยู่ภาพพื้นดินเพื่อขอบุญจากมนุษย์พรามนุษย์สามารถทำบุญและแบ่งปันบุญให้เขาได้ แต่เทวรากับเทวราแบ่งปันบุญให้กันไม่คไม่ได้หรือถ้าได้ก็ได้ไม่พอได้น้อยอย่างเงี้ยได้ได้ไม่เต็มเปี่ยมเท่ากับมนุษย์ให้ให้กับเขานี่คือฐานะที่สูงส่งแล้วขนาดพระอินทร์ผู้อยู่บนสวงสวรรค์ผู้เป็น ห, หัวหน้าของหมู่เทพชั้นดาวดึงกับจ่าตุมเนี่ยเป็นเทวราชสากัดสกัดเทวราชผู้เป็นใหญ่ของหมู่เทพพระอินทร์เนี่ยยังเคารพนอบน้อม ก, กราบไหว้สักกะมนุษย์ผู้ประพฤติธรรม ระดับพระอินนะยังเคารพนอบน้อมกาบไหวสักกระมนุษย์ผู้ประพฤติธรรมอันนี้พระอินองค์เนี้ยกาวกับพระพุทธเจ้าเองมนุษย์เราใดผู้เป็นผู้ประพฤติธรรมเช่นสามีประพฤติธรรมในภรรยาโดยการเลี้ยงดูภรรยาอย่างดีภนะรรยาปฏิบัติสามีอย่างดีตั้งอยู่ในศีลทั้งคู่พระอินบอกว่าข้าพเจ้านอบน้อมนอมัสการมนุษย์ผู้นั้นผู้ประพฤติธรรมนะระดับพระอินแล้วทีนี้เทวราสถิตตามพื้นดินเนี่ย มีเหรอมันจะไม่ไหม้เราเราอุทิศบุญให้เขาน่ะถ้าเราอุทิศบุญให้เขาเขาต้องไหม้เราที่ระดับพระอินยังไหม้ผู้กระพฤตธรรมเลยอเขายังเคารพมนุษย์เลยจะเทว่า ย, ยัางไงเทวมนุษย์นี่เปลดคุณค่าตัวเองลงแล้วไปไหว้เทวดาอยู่ในสารวัตภูมิโอ้มันงมงายไร้สาระกันมากเลยยุคนี้นั่นแหละสารเจ้าปู่เจ้าตาเจ้าย่้าเจ้าใยต่างๆนานานี่ เป็นความงมงายทั้งนั้นเราเคารพนับถือปู่ย่าตายายก็อุทิศสุนทรสนไปให้ท่านตามแบบวิธีทางพุทธศาสนาเป็นสิ่งที่องคทรงตัดสรุปโดยชอบแล้วว่าฐานะของบุคคลผู้ล่าชีวิตไปแล้วจะอยู่ในฐานะบ่อนพ่อบุรุษอย่างไรก็ตามที่สืบเนื่องกันมาดำลงอยู่ได้ด้วยบุญกุศลอุทิศไปให้ผู้ริจาก็แนะนําพระเจ้าวิพิสารอุทิศบุญไปให้ญาติบม่ด้ตั้งศาลพระภูมิให้ญาติมาอาศัยอยู่แล้วก็จัดเลี้ยงจุดทูบจุดเทียนกราบไหว้ไม่ได้แนะนําพระเจ้าวิพิสารอย่างนั้น จะให้ไหวงไงเหรอที่นี้จา่มีถ้าเราอัญเชิญเรียกร้องอยู่ว่าให้ผีบรรพบรุษผีปู่ผียา่าผีตาผียายมาอยู่ท่านก็มาจริงๆท่านจะไปอยู่ในฐานะภพภูมิอย่างไรก็ตามก็จะมาอยู่ในสารนี้โดยกระแสแห่งใจที่เราเรียกร้องขนาดญาติพระเจ้าพิพิษารที่เป็นเปรตไม่ได้เรียกร้องอย่างมาเลยมาด้วยความด้วยใจหวังอยู่ว่าพระเจ้าพิพิสารเป็นญาติเรา เราจะมาอยู Valerie, you know right? area, well, ่ใกล้ญาติท right? like the right? ําไมเพราะวญาติทำบุญเราจะได้รับบุญเห็นไหมล่ะขณะไม่ได้พระเจ้าวิสณ์ไม่ได้เรียกร้องเลยนะญาติยังมาอยู่ใกล้เลยเพื่อเรียกร้องเอาบุญนะอันนี้เราไปเรียกร้องมาเนี่ยผีปู่ผีญาติผีตาผียายทําไมจะไม่มาหากอยู่ในฐานะที่มาได้เขาก็มาหากอยู่ในฐานะที่มาไม่ได้ก็มาไม่มาเช่นได้รับโทษได้รับควบคุมอยู่ในอบายภูมิก็มาไม่ได้อันนั้นจะเรียกร้องยังไงก็มาไม่ได้แต่ จะอยู่ในฐานะไหนก็ตามเราทําบุญอยู่ที่โลกมนุษย์นี้และทําบุญในโลกมนุษย์ที่ไหนๆก็ตามที่เป็นบุญเราทําแล้วอุทิศไปให้สามารถส่งถึงได้แม้แต่อยู่ในอบา ย, ยภูมิส่งถึงได้ไม่ต้องเดียกมาไม่ต้องมาสานสรารสารปู่สรารตาสรารยายสรารอะไรให้อยู่นะไม่ต้อ ง, อางสารหลักเมืองก็เหมือนกันถูกสอนกันมาผิดแบบผิด ไม่ได้ลบหลูนะอาตมาไม่ได้ลบหลูนะไม่ได้ปรามาแต่เรามีพุทธศาสนาฝังล่างลึกมาเป็นระยะเวลายาวนานไม่มีหลักคําสอนไหนหรอกที่จะให้มีการอัญเชิญเสาหลักสารหลักเมืองขึ้นเสาหลักเมืองขึ้นอัญเชิญพ่อเมืองมาอยู่พ่อเมืองท่านสร้างบ้านสร้างเมืองมาสร้างราชธานีแผ่นดินท่านท่านรักษามาใครท่านไปเสวยสุขอยู่บนสวรรค์นี่เอาท่านมาอยู่ในสารนี้ทําไมโลกมนุษย์นี่อุทิศบุญไปให้ท่านเยอะๆสิ ให้ไปอยู่ในสารบลักเมืองสารพ่อสารเมือง <ละ S 1> คอยเอาของนั้นไปเส้นสวงเส้นไหวซื้อม้าซื้อช้างซื้อไก่ซื้ออะไรไปเขาเรียกอะไรเส้นสวงเ ส, ส้นไหวท่านอ่ะโวยมันไม่มีประโยชน์อะไรหรอก อ, อนุสวาสวโล์สาวรีเป็นแค่เครื่องระลึกถึงอนุสวาวรีอนุแปลว่าตามระลึกสาวรอนุสอนนั่นแหละพูดง่ายง่ายคือการตามระลึกคิดถึงเออเห็นแล้วระลึกถึงพอระลึกถึงว่า พ่อเมืองผู้นี้สร้างบ้านสร้างเมืองนี้มาใช่ไหมละ่ะคุณรประโยชน์ที่ท่านสร้างในแผ่นดินนี้เราเอาศัยแผ่นดินที่ท่านดูแลรักษามาอุทิศบุญให้ท่านตามหลักพุทธศาสนาไม่ให้เป็นเส้นสวงเส้นไหวตามหลักพรามเรานับถือพุทธนี่เราเราปฏิบัติตามพุทธศาสนาไม่ใช่เลยเราก็ต้องเอาตามแบบพุธทธศาสนาทีเราลึกถึงอนุศน์คือทําให้เราลึกถึงอย่าทิง้งอย่าทิ้งคนที่มีประโยชน์ต่อต่อแผ่นดินใช่ไหมต่อประเทศ ตอบบัณฑที่เป็นพระบุรุษของเราเพราะเราก็คือผู้ที่สืบเชื้อสายมาอาศัยอยู่ในบา ร, รมีการปกปักของท่านที่เคยสละชีพสละชีวิตมาอุทิศบุญให้นึกถึงข่าวอะไรก็อุทิศบุญให้อุทิศบุญให้ไม่ใช่ไปสร้างศาลแล้วให้ท่านลงมาอยู่ในนั้นนะมันงมงาย ก็แปลแปลกสำหรับคนที่เขามองว่าแปลแต่ไม่ได้แปลกสาหรับในหลักของชาวพุทธที่ที่พระเจ้ทาทรงสอนให้มีเหตุผลไม่ได้ไปไหว้มั่วไปไหว้แม้แต่พระองค์บัญญัติแม้ในการการไหว้ข้าหมู่พิสูจนี้เองนะสำหรับพระภิสุจนี่ระหว่างพระพิสูจนด้วยกันเนี่ยผ้พาพิสุจน์ที่เป็นนานาสังวาตคือคนขดข้อปฏิบัติคนละอย่างกันพิสษุนที่เป็นนานาสังวาสจะต้องไม่ไหว้ ีิสูจนที่เป็นกลุ่มนานาสังมาศที่ความเป็นอยู่ที่แตกต่างคือข้อปฏิบัติที่แตกต่างกันจะต้องไม่ไหว้กันเนี่ยผู้เจ้าบอกไม่ให้ไหวกันแบบงงงายนะไม่ให้ไหวกันง่ายๆนะหากไม่แน่ใจแล้วว่านี่เป็นนานาสังมาศเกิดเกิดความรังเกียจหรือว่าเกิดความคิดสมสัยขึ้นมาว่านี่คือผู้ปฏิบัติที่แตกต่างจากเราถือข้อปฏิบัติที่ไม่เหมือนกันออย่างเงี้ยเราก็ไม่ควรไหวเช่นพระจีนพระญี่ปุน่นแม้แต่พระไทยเองก็เหมือนกันนะมหานิกายกับธรรมยุทถือว่าเป็นานาณาสังมาศ ไหว้กันไม่ได้ตามพระวินัยนะไหว้ไม่ได้แต่หากภิกษุใดเห็นชอบตามธรรมว่าภิกษุที่เป็นนานาสังวาสนี้เป็นพระเถระที่ตั้งอยู่ในธรรมไหว้ได้เช่นพระภิกษุเถระที่ตั้งอยู่ในความเป็นโสระบัญสการาคามีอนาคามีหรืออา ร, หารัหันจะเป็นนานาสังวาสก็ตามไหว้ได้ไม่มีปัญหาแต่หากสงสัยว่าไม่ไม่เป็นผู้ตั้งอยู่ในธรรมห้ามไหว้เด็ดขาด ชาวบ้านเองเหมือนกันไม่ใช่เห็นพระก็จะไหว้ไปเสียทั้งหมดไม่ใช่นะผิดเหมือนกันอ่ะไหว้ผิดเดีาไววาแต่สารพ่อภูมิเลยแม่แต่พระผู้เจ้ายังให้พิจรนารณาเลยว่าควรไหว้หรือไม่ควรไหว้ควรกราบหรือไม่ควรกราบไม่ใช่จะกราบเป็นบ้าอะไรนะอันนั้นขาดปัญญาเาจริงๆนะน่นเองในมีในพระบัญญัติเนี่ยพระพระตาลีดกเรื่องการกราบไหว้มีข้อปฏิบตัติต่อกันนี ไม่ต้องกาบขนาดนั้นหรอใบใบก็ไปสะใส่คองน้ำเหรออะไรก็จะต้องกาบยนีิ่งงมงายเกินไปก็ไม่ไหวได้เลยกออย่างกรมีอย่างต่างพระภูมิเนี่ยค่ะอย่างที่ว่าเม่้เรียกว่ามีมาสถิตอยู่จริงแล้วอย่างนี้ก็หมายความว่าทั้งทั้งมนุษย์และที่สถิตเนี่ยก็ลงผิดทั้งคู่ใช่ไหมครก็ลงผิดทั้งคู่ ทั้งมนุษย์ปฏิบัติต่อเขาผิดเขาผู้เข้าไปสถิตอยู่ในพระภูมิเห็นว่ามนุษย์ยกตัวเองให้สูงขึ้นก็ก็จะวางท่าทีเป็นผู้มีอำนาจอยู่เหนือมนุษย์ยอมรับการกราบไหว้จากมนุษย์ได้ก็เท่ากับว่าเป็นเทวดาผู้ไม่มีคุณธรรมของเทวดาเพราะคุณธรรมของเทวดาเขาจะไม่เป็นอย่างนั้นเพราะเทวดาก็มีคุณธรรมของเทวดาอยู่ เขาจะไม่ยอมรับการไหว้ของของมนุษย์ในง่ายๆแต่รับบุญจากมนุษย์เขารับโดยฐานะเนี่ยเขาเขารับอยู่แล้วเขาเป็นผู้รับบุญนะจัดอยู่ในฐานะของผู้รับบุญจากมนุษย์นะมนุษย์เป็นผู้อุทิศบุญให้เข า, แ า, น, า น, เน แ, นแั่แคนนเ น, น, น, นเป็นไม่แค่พิธีกรรม เป็นแค่เครื่องสักการะเป็นแค่คือความรู้สึกของคนที่ยังขาดปัญญาอยู่เขาเข้าใจว่าแม้ผู้ที่ละชวิตไปอยู่ในฐานะของเทพนะก็ตามเขาก็ยังเอาความรู้สึกของความเป็นมนุษย์นี่เข้าไปเทียบกับความเป็นเทพว่าเออเขาก็คงจะอยากจะได้ของเส้นของไหวของสักการะแบบมนุษย์เราเหม็ดมนุษย์เราเวลาไปหากันก็เอาของไปให้กันกอเทวดาพวกคงคงอยากจะได้ของอย่างนี้เอามา้า ไปให้ท่านทรงคิดอย่างนั้นเอาช้างไปให้ท่านทรงช้างรูปปั้นนะเอาไก่ไปให้ท่านชมยเอานางลาไปไว้รุปกระตาเ<อ>ข้าใจอย่างนั้น <S <S คือเอาความรู้สึกของตัวเองไปวัดไม่รู้ว่าเทวดาเขาดำรงอยู่ด้วยวิถีอย่างไรเทวดาที่ยอมรับสักกราระอย่างนั้นก็เป็นเทวดาที่งมไงเป็นเทวดาที่โง่เขลาเป็นเทวดาในกลุ่มมิจฉาทิฏฐิที่เป็นอย่างนั้นไม่ใช่สมามัญทิฏฐิ มันก็เลยทําให้คนเป็นมิจฉาทิฏฐิไปด้วยเกี่ยวโยงกันในการกระทําเทวราที่เป็นมิจฉาทิฏฐิต้องการให้คนหลงงมงายในวิถีอย่างนี้เขาก็จะบันดาลให้คนสําเร็จประโยชน์ในสิ่งที่เขาได้ไปทําอย่างนั้นนะไปบนบาสารกล่านะบันดาลให้สำเร็จประโยชน์ได้ในบางกรณีที่เขาสามารถทาได้ทําให้คนงมงายยิ่งหนักไปอีกทีนี้ว่าโอ้กูสำเร็จพอทําอย่างนี้มาเอาไข่ไปแกะบน9ก้าฟอง การภาวนาก็วางใจเป็นกลางในทุกๆเรื่องเขาว่าวางใจเป็นกลางไม่ใช่ว่าไม่รับรู้นะรับรู้เรื่องเราแต่แต่รับรู้แบบเรารู้จักการวางด้วยไม่ใช่รับรู้แล้วเก็บมาเป็นเรื่องเราทุกในใจอันไม่รู้จักการวางอันนั้นยังไม่ใช่ภาวนาภาวนาหมายว่าเรื่องทุกเรื่องเรารู้และเข้าใจเหตุผลของมันเข้าใจการกระทําในสิ่งที่คนกระทํารับทราบแต่ไม่รับเรื่องเข้ามาเป็นปัญหาในใจ แต่เรื่องไหนไม่เข้าใจก็รับมาแล้วเอามาพิจารณาไข่ค่วนอะไรไม่ถูกก็ทิ้งมันไปดูความรู้ความเข้าใจไม่ใช่ว่าวางใจเป็นกลางเฉยไม่รับทราบอะไรใครจะทําอะไรก็ปล่อยเขเฉยไม่รู้เรื่องไม่รู้ที่มาที่ไปไม่รู้เหตุไม่รู้ผลอาธรมานีหยิบแต่และเรื่องแต่เรื่องมาคิดมาพิจารณา ม, มาไข่ค่วนว่าที่มาของเรื่องนี้มาอย่างไงเหตุมันมาอย่างไงใช่ไหมผลมันมาอย่างไงใครเป็นผู้นาเรื่องเราอย่างนี้ประมาณมาจากศาสตร์อะไรมาจากวิธี พ่อประพฤติปฏิบัติอย่างไรอิทธิพลทางสังคมมาจากไหนที่ทําให้คนยึดถือปฏิบัติกันอย่างนี้มาเป็นระยะเวลา ย, ยาวนานแล้วทาไมพุทธศาสนาเึ่งฝังล่างลึกมายาวนานมีแต่เรื่องพวกนี้เต็มไปหมดทำไมไม่มีเรื่องของราวของพุทธศาสนาที่เป็นตัวพุทธศาสนาฝังล่างลึกในจิตใจคนบ้างแต่ทํำไมมีแต่เรื่องของเส้นสวงเส้นไหว้กาไห ว, ไว้พิธีกรรมรเนี่ยลูกเคารพเครื่องศักดิ์สิทธิ์เครื่องรางของขลังเต็มไปหมดเราอย่าลืมว่าพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ของเราในทางพุทธศาสนานั้น พุทธศาสนาเขามูลทางประวัติศาสตร์มาจากพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นผู้ส่งสมรรูตรมาแล้วในยุคของพระเจ้าอโศกเขาถือกันอย่างยิ่งเลยว่าบุคคลผู้สร้างรูปเคารพของพระพุทธองค์ขึ้นมาถือว่าเป็นการดูหมิ่นพระพุทธองค์เหยียดหยามพระพุทธองค์แล้วก็ทําบาปมหันเพราะไม่มีอะไรไปเปรียบเทียบกับตัวของพระพุทธองค์ได้เขาถือกันอย่างไรนะไม่ภาพเจ้าอโศกมหาราชเนี่ยจะสร้างถาวรวัตถุยิ่งใหญ่ขนาดไหนก็ตามแต่ไม่มีการสร้างรูปเคารพ นั่นคือรากฐานพุทธศาสนาเรามาจากพระเจ้าอโศกแต่แน่นอนว่ากาลระยะเวลาของโลกมันเปลี่ยนไปนะคนก็จะบอกว่ามันยุคยุคสมัยที่จะต้องมีรูปเคารพขึ้นมาเป็นข่านิยมนะเรายึงนึกว่าข่านิยมกับความจริงเป็นคนละเรื่องกันนะข่านิยมนี่มันทําให้ความจริงนี่ถูกลืมเลือนไปนะมันจะค่อยลบเลือนความจริงไปเรื่อยๆข่านิยมไม่ใช่ความจริงมันเป็นแค่ข่านิยมมันเป็นเพียงแค่ความความที่คนนิยมในยุคสมัยหนึ่งอ่ะเดี๋ยวก็เปลี่ยน เขายว่าถ้าเขาไม่ทําไม่ไปวัดไม่ไปกราบยก็เลือนหายตามมปมีเกิดมีเป็ีอย่างเงี้ยคือแบบถ้าไม่มีิธีกะไรย่เเิมก็ต้องเลือนหายไปออะไรเลื่อนหายพุทธศาสนาจะเลื่อนหายนั่นนั่นคือความคิดไม่ใช่ความจริง เป็นความคิดที่เกิดจากความกลัวอย่าลืมนะหากเราเข้าใจว่าวิธีปฏิบัติตามแบบพิธีกรรมอันเนี้ยของเรามันดีแล้วทําไมยังมีคนเปลี่ยนนับถือศาสนาอื่นอยู่ทันทีที่เติบโตมาจากรากฐานประเพณีขนทมทานยำเพื่อที่มาจากพิธีกรรมทําไมมีคนผูดถึงศาสนาที่เติบโตมาจากสังคมอย่างเงี้ยที่ถูกปลูกฝังล่าลึกมาเปลี่ยนไปนับถือศาสนาอื่นทําไมถึงยังมีหาว่ามันเป็นสิ่งที่ดี นั่นแสดงว่าคนไม่ได้เข้าใจหลักคําสอนในศาสนาของตัวเองจริงๆคนในพุทธศาสน์เนี่ยไม่ได้รู้เรื่องหลักคําสอนพุทธศาสนาของตัวเองจริงๆว่าดียังไงหามันดีด้วยการที่รู้ชัดในหลักคำสอนว่าคําสอนของพระพุทธองค์นี่ยอดเยี่ยมที่สุดแล้วเอาอะไรมาเปลี่ยนก็ไม่เปลี่ยน่ใครยังให้มาเปลี่ยนยังไงก็ไม่เปลี่ยนมันไม่ได้ชัดในคําสอนเนี่ยมันก็แค่อยู่ในรูปแบบพิธีกรรมตามที่เขาบอกว่าเกิดตามทะเบียนบ้านนะ นับถือตามพะเบียนบ้านเขาเรียก ว, ว่านับถือพื่อศาสนามาตั้งแต่วันเกิดเดี๋ยวว่าตั้งแต่วันเกิดเลยวันที่ยังไม่เกิดก็นับถือตั้งแต่อยู่ในท้องมันนับถือกันตั้งแต่อยู่ในนั้นแล้วเพ่อเขาระบุไว้แล้วพ่อใช่ไหมแม่เป็นพุทธใช่ไหมลูกจะเป็นอะไรเป็นพุทธ <c oughs> คนถูกถ่ายทอดโดยสายเลือดสายเลือดไม่ได้รักษาความพป็นศาสนาไว้นะแต่การปฏิบัติธรรมการปฏิบัติตามหลักคําสอนนี่แหละเป็นการรักษาพื่อศาสนาไว้ คือเอาแค่เอาแค่พิธีกรรมนี้นะพิธีกรรมนี้เรายังมีเรื่องของศาสนาอื่นเข้ามาแทรกเลยนะในชั้นในชั้นของพิธีกรรมนี้นะชั้นของการให้ทานรักษาศีลเนี่เป็นเรื่องของพิธีกรรมนั้นเลยนะรักษาศีลต้องไปขอจากพระอะไรเงี้ยเป็นเรื่องของพิธีกรรมทีนี้มันเลยลามเข้าไปจนถึงขั้นของการทำสมาธิมันเลยมีสมาธิที่เป็นของนอกเพื่อศาสนาเข้ามาแทรก โดยไม่รู้สึกตัวคือคนไม่รู้สึกตัวหรอกว่าได้ทําได้ทําสมาธิแบบนอกพุทธศาสนาสมาธิในพุทธศาสนาเป็นอย่างไรพวกเราเคยเข้าใจไหมเนี่ยไม่เข้าใจพอเราไม่เข้าใจว่าพุทธศาสนาสอนสมาธิอย่างไรโดยที่เราไม่เข้าใจเนี่ยมันก็เลยทําให้เราทําสมาธิโดยที่เราไม่เข้าใจมันเลยกลายเป็นพิศาสมาธินอกพศาสนาไป หาสมาธิในในครั้งดั้งเดิมที่เขาทำถูกแล้วเนี่ยเช่นอาราตะราบทกับอุทธาการาบทหากเขาทำถูกแล้วทำไมพวกโ อ, อกต้องมาเปลี่ยนการสอนสมาธิใหม่ว่าเป็นสมาสมาธิแล้วมองในแง่มุมในอาราตะดาบทอุทากาดาบทว่าเป็นวิชาสมาธิเพราะอะไรเพราะนั่นคือสมาธิที่ไม่เป็นไปเพื่อความพ้นไม่เป็นไปเพือ่อความหลุด สมาธิประเภทไหนก็ตามที่ไม่ได้เป็นไปเพื่อความหลุดพ้นนั้นเป็นมิจฉาสมาธิทั้งหมดเป็นสมาธิที่อยู่บนพื้นฐานของความเห็นผิดหากอยากจะทําสมาธิให้มีอยู่บนพื้นฐานของความถูกต้องได้เป็นสัมมาสมาธิที่เป็นพื้นศาสนาได้ผู้ย่อก็ตัดไว้ชัดเจนว่าสมาธินั้นต้องมีองค์ประกอบด้วยสมาธิธิหากสมาธิใดมีองค์ประกอบด้วยสมาธิฏิสมาธินั้นคือสัมมาสมาธิจะเป็นการทําสมาธิแบบไหนก็ตามที่เป็น สัมมาทิฏฐิประกอบด้วยเป็นรากฐานอันนั้นจะเป็นสัมมาสมาธิเป็นส ม, มาธิที่ถูกต้องไม่หนีออกไปจากหลักแห่งความดุพน์อยู่ในหลักแห่งความดุพ้น์นี้เพราะฉะนั้นสมาธิจะต้องมีสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานคูยงายต้องสร้างความเห็นที่ถูกต้องก่อนแล้วค่อยไปทําสมาธิเพื่อเป็นฐานรองรับตัวสมาธิที่จะเป็นสัมมาหากไม่สร้างสัมมาทิฏฐิที่ดีที่ถูกต้องเกิดขึ้นในจิต แล้วไปทําสมาธิเลยจะตกเป็นมิจฉาเ ด, ด็ทันทีเลยเอ า, เอ า, เอาแล้วสมาสมาธิน่ะเนืที่มี ส, า ม, สา ม, มา ธ, ธิิเป็นรากฐานเนี่ยเราจะทํำยังไงผู้ย่อก็บอกว่าบุคคลผู้รู้ทุกพอทุก์คืออะไรรู้เหตุให้เกิดทุกว่าอะไรคือเหตุที่เกิดทุกรู้ความดับไปของทุกว่าอาการอย่างไรเรียกว่าความดับไปของทุกแล้วก็รู้ทางปฏิบัติว่าเราปฏิบัติยังไงถึงจะเป็นไปเพื่อความดับทุกได้ การรู้อย่างนี้แหละมันจะเป็นสัมมาสมาธิที่อยู่บนพื้นฐานของสมาธิธิรู้ทุกู้เหตุให้เกิดทุกข์รู้ความดับไปของทุกข์รู้ทางปฏิปปะได้ถึงความดับทุกข์รู้อย่างเนี้ยมันจะเกิดสัมมาสมาธิขึ้นมารองรับอัตโนมัติก็อิทธิบาทซีเป็นองค์คุณนะนะคุณเครื่องที่จะนำเราไปสู่ความสําเร็จใช่ไหมอริยสัจสี ออริยสัสีเนี่ยเป็นสมาทิฏิในทางพุทธศาสนาทำไมต้องพูดถึงอริยสัสีไม่พูดถึงสมาสมาธิระดับอื่นเพราะอริยสัสีเป็นสมาสมาธิในชั้นของภาวนาแต่ถ้าพูดถึงสมาธิทิในชั้นชั้นอื่นในชั้นชั้นที่นอกเหนือไปกว่านี้มันไม่ใช่ชั้นของภาวนาเป็นชั้นของบุญชั้นของบุญชั้นของบุญคืออะไรสมาธิทิในชั้นของบุญก็หนึ่ง เชื่อกำเชื่อผลของกำอะไรเห็นอะไรเห็นความดีเป็นความดีที่ถูกต้องเห็นสิ่งที่ชั่วมาเป็นชั่วที่ถูกต้องไม่ใช่เห็นดีกับชั่วปนกันไม่ใช่นะนั่นก็เป็นมิจฉาทิฏฐินะไม่ใช่สัมมาทิฏฐิเห็นว่าการให้ทานมีผลเห็นว่าคุณบิดาคุณมารดามีผลมีคุณอย่างเงี้ยเห็นว่าบุคคลผู้ เป็นอรหรันตสมาสัมพุทธะก็มีในโลกเ <sk eps> ห็นว่าการประพฤติตามธรรมของพระอรหรันตสมาสัมพุทธะนี้ก็สามารถถึงความดุพ้นได้พวนี้เป็นเป็นสมาธิในในพื้นพื้นพื้ น, นต้องให้เป็นพื้นเพรรในจิตของของชาวพุทธที่เข้ามาสู่ในพุทธศาสนาให้เป็นพื้นเพรรแบบพื้นพื้นปูพื้นให้นะ่ะต้องเป็นประเภทนี้เชื่อกรรำเชื่อผลของกรรมถ้าเราเชื่อกำเชื่อผลของกรรมพิธีตัดกรรมก็จะไม่มีพิธีแก้กรรมก็จะไม่มี พิธีสะเดาะกรรมก็ยัไม่มีแก้เคทแ ก, แ ก, แก้อะไรก็บเคราะอะไรไม่มีแสดงควารรมไม่ได้เชื่อกำเชื่อผลของกรรมจริงๆมันเลยมีพิธีเหรอเนี้ยเรามีมิจฉาทิฐิมาแต่ดั้งแต่เดิมในฐานะที่พุทธศาสนาเราอยู่บนราักฐานของสมาธิฐแต่เราปฏิบัติในพื้นฐานของสมามิจฉาทิฐิมาตลอดมันก็เลยขัดแย้งกันเวลาทําสมาธิก็เลยเป็นมิจฉาสมาธิไปด้วยเป็นสมาธินอกพุทธศาสนาไปเลยโดยไม่รู้ตัวส่วนบนก็มิจฉาส่วนบน ไม่ใช่สัมมาส่ว <stigma S 2> นเพราะตัวสัมมาไม่มีการส่วนสัมมามีแต่เรียนรู้อยู่กับคําสอนคําสอนจิตมันบนอยู่กับคำสอนเท่านั้นมันยึดทำมังสะลานกฉามิธรรมะเป็นสาระเป็นที่ระลึกระลึกถึงตึกตึกแต่ธรรมระลึกถึงแต่คําสอนตัวธรรมคาสอนที่เราจะสามารถระลึกได้คําสอนที่เราจะสามารถจดจําได้คําสอนที่เราจะสามารถเอามาเป็นเครื่องสอนใจเราได้นี่คือทำมังสะงานกฉามิพุทธังสะลานกฉามิระลึกถึงองค์พระพุทธะว่าพระพุทธองค์ดำเนินมาอย่างไร พระองค์ตั้งตนอย่างไรเมื่อพระองค์ประสบกับเรื่องราวอย่างนี้เรื่องราวที่พระองค์ประสบแต่ละเรื่องไม่ใช่พระองค์ประสบเรื่องดีตลอดนะเรื่องที่ไม่ดีพระองค์ก็โดนมาเยอะแล้วพระองค์ประพฤติตัวเองอย่างไรพระองค์แก้ปัญหาอย่างไรเลยถึงพระองค์โอ้พระองค์ผู้ทรงตั้งมั่นดีแล้วในคุณธรรมพระองค์ไม่แปรเปลี่ยนในกุศลธรรมที่พระองค์ทรงดําเนินไว้ดีแล้วไม่แปรเปลี่ยนไปตามกระแสโลกกระแสโลกจะด่าจะถาโถมจะกล่าวตำหนิกล่าวด่าว่าพระองค์อย่างไรพระองค์ก็ตั้งมั่นดัง เสาหินที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุสี่ทิศเนี่ยทีนี้เราก็เอาพระองค์เป็นแบบอย่างระ ล, ลึกถึงโ อ, พอง้พระองค์ก็เผชิญกับสิ่งเหล่านี้มาพระองค์ก็ถูกดินทามาถูกว่าไลา่มาถูกเก่าตําหนิตีเตียนมาระดับเราทำทำไมจะไม่โดนเป็นเรื่องปกติเราต้องโดนเมื่อเป็นเรื่องปกติภาษาสดาพาเราทํามาอย่างไงเราก็ทําอย่างนั้นที พ, พระองค์เผชิญมาอย่างไงผู้เป็นาศาสดาสอนเราเราเป็นผู้ทศสาวก็เผชิญอย่างนั้นกับพระองค์แบบพระองค์เลย ไม่ต้องไปมิดตกไม่ต้องไปกังวลตั้งมั่นดังกับเสาหินที่ฝังดินดีแล้วไม่หวั่นไหวด้วยพายุสี่ทิศเห็นไหมพายุมันมีหลายทิศนะในในยุคสังคมเนี่ยลมพายุลมป่าคนนั่นแหละเขาจะไม่พายุอันหนึ่งแล้ว้นะป่าค น, นนั้นป่าคนนี้มันพายุพัดถ้าหูเบาไปหน่อยก็ไปเลยที่นี่พัดมันพัดไปแล้วตามเรื่องราวคำพูดของคนเขาพูดเรียงไงกับป้าหูเบาไปตามเขา เือเป็นจริงเป็นจำเป็นตูวเป็นอะไคิดไปใหญ่แปลกลายเป็นพายุอีกอันหนึ่งลูกหนึ่งพอมีพายุอันหนึ่งก่อตัวขึ้นมาในใจเราก็เอาเรื่องราวที่ได้ยินได้ฟังไปพูดต่อก็เพัดไปอีกเนี่ยเป็นอีกลูกหนึ่งแล้วพัดพัดพัดอีกอะไรกันไปน่ะเรื่องราวของโลกก็เป็นอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่บันเออไม่มั่นคงหาที่มั่นคงในใจไม่ได้ก็วันไว้อย่างเงี้ยสุดท้ายก็อารมณ์บีบคั้นใช่ไหมความทุกข์เกิดขึ้น เดี๋ยวก็เรื่องนั้นเรื่องนี้ก็วุ่นวายในใจอีกเก็บเรื่องนั้นมาคิดเก็บเรื่องนี้มาคิดหาความสงบภายในตัวเองไม่ได้หนีไปวัดดีกว่าสงบมันก็สงบสิในวัดมไม่มีเรื่องวุ่นวายนะใช่ไหมแต่ไม่ใช่ตัวแก้ปัญหานะหนีมาวัดสงบนะสงบเพราะว่าในที่นี้มันไ ม, ม่มีที่วุ่นวายมันก็สงบพอสงบแล้วปุ๊บสบายใจแล้วกลับไปบ้านดีกว่าไปรับอารมณ์ที่วุ่นวายอีกทีนี่เข้าใจยังมันเป็นแค่การรับอารมณ์มันไม่ได้ไปแก้ตัวเอง มาวัดมาศึกษาธรรมะต้องเอาหลักคําสอนไปแก้นะเอาไปแก้ไม่ใช่ว่าดีใจเบาใจสบายใจแล้วกลับไปแล้วก็ไปรับอารมณ์อีกไปรับอารมณ์มาอีกพอเก็บอารมณ์มากเข้ามากเข้ามากเวุ่นวายอีกไปวัดอีกกว่าสบายใจมันอยู่แค่นี้คือโง่อยู่เหมือนเดิมไม่ได้ฉลาดขึ้นถ้าจะฉลาดก็คือเจอเจอกระทบอยู่ที่บ้านนั่นแหละวุ่นวายอยู่ที่บ้านนั่นแหละรับการกระทบเรียนคําสอนมาแล้วบอกว่า เจอคนเนี้ยต้องรับการกระทบให้ได้พอรับการกระทบตั้งมัน่นปุ๊บอะไรมากระทบปุ๊บมันก็จะกระทบแล้วกระดับกระทบแล้วกระดับแต่ถ้าไม่ตั้งมัน่นปุ๊บกระทบก็เอ็นไปมันก็ไม่ดับนอกจากจะไม่ดับยังสร้างความวุ่นวายและเดือดร้อนในใจให้เราอีกเนี้ยนี่คือจิตของค น, นเป็นอย่างเงี้ยผู้ใหญ่จึงสอนบอกให้ตั้งมัน่นไม่มีส ม, สมาธิแต่การตั้งมัน่นต้องตั้งมัน่นด้วยความเห็นที่ถูกต้องเห็นอะไรเห็นทุกกระทบปึ้งอะทุกเห็นทุก เห็นเหตุออกมันมาจากเหตุเพราะไอ้นี่มากระทบอัน huh. นี้จึงเกิดอันนี้เนี่ยเหตุก็เรีวเหตุปัจใจเห็นเหตุออกอันนี้มากระทบก่อเกิดอันนี้ถูกแล้วมันต้องเกิดถูกแล้วเราต้องไม่พอใจถูกแล้วที่เราจะต้องทุกข์ใจถูกแล้วที่ต้องเข้าใจเพราะมันมันเป็นรับรับสิ่งที่ไม่ดีมันก็ต้องเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีรับสิ่งที่ดีก็ต้องเกิดความรู้สึกที่ดีรับสิ่งที่มันวุ่นวายก็ต้องรู้สึกวุ่นวายรับสิ่งที่มันสงบก็ต้องรู้สึกสงบมันเป็นเรื่องของการรับอารมณ์ แต่เราไปหลงอารมณ์ที่รับมันเลยไปเข้าใจว่าอันนี้ไม่ดีกูไม่เอาอันนี้ดีกูเอาไปหลงเนี่ยเอาอันดีก็หลงเข้าใจไหมเอาอันสงบก็หลงเอาอันวุ่นวายก็หลงงั้นไม่เอาสักอย่างไม่ใช่ว่าไม่เอาสักอย่างเอาแต่ว่าไม่หลงอารมณ์เอามาเป็นเครื่องมือพิจารณาเพราะถ้าเราไม่พิจารณาพวกกระทบเนี่ยเราก็จะหลุดพ้นออกไปจากวงจรของโพลีไปได้เพราะโลกเนี่ย มันต้องอยู่แบบรับการกระทบนะเรามีตามีหูมีจมูกมีลิ้นมีกายมีใจเราต้องสัมผัสนะภัสสะผู้องค์ก็บอกว่าภัสสะเป็นปัจจัยที่เกิดเบทนามันต้องรับการกระทบภัสสะก็คือตัวรับการกระทบอันแหละกระทบตากระทบหูกระทบจมูกลิ้นกายกระทบใจไอ้กระทบใจนี่แหละมันไม่มันวางไม่ได้ไอ้กระทบตาหลับตาแล้วไม่เห็นก็กระจบใช่ไหมล่ะหูก็ปิดแท้ไม่ได้ยินก็กระจบ แกโมก็บีบไม่ต้องดมกลิ่นก็ไม่จบอะถ้าบีบแล้วเดี๋ยวหายใจไม่ออกก็ตายแต่ใจรับอารมณ์เนี่ยเราจะวางมันยังไงพู้ชายเพิ่งบอกว่าให้เห็นไงไอความเห็นเนี่ยจะทำให้ใจเราตั้งมั่นเห็นอะไรเห็นทุกเห็นเหตุปัจจัยของมันเห็นเหตุเหตุให้เกิดทุกอ๋อมันมาอย่างนี้กระทบอย่างนี้เกิดรับอารมณ์อย่างนี้ถูกต้องมันต้องเป็นอย่างนี้ รับอารมณ์ไหนก็เป็นอย่างนั้นออกไปถูกแดดก็ต้องร้อนเป็นธรรมาดาเข้ามาลมก็ต้องเย็นเป็นธรรมาดามันแค่การรับการกระทบแต่เราไปหลงไปเข้าใจว่าตัวเองเป็นอย่างเงี้ยนะเออ <c oughs> ไปปรุงพิไปสร้างเพิ่มมันเลยเรื่องเลยไม่หยุดสักทีเลยกลายเป็นแบกปัญหาไว้แบบความรู้สึกแบกทุกแบกบโลกทั้งโลกไว้ <c oughs> แบกเรื่องเราคนนั้นแบกบเรื่องเราคนนี้ไว้ <c oughs> พอรู้กันอย่างเงี้ยปุ๊บตั้งมัน่นปุ๊บเหตุให้เกิดทุกข์ พอพอเห็นกระทบปุ๊บเกิดตัวก่อตัวขึ้นมาแล้วเราไม่ปรุงแต่งต่อเราตั้งมั่นอยู่เห็นอย่างนี้อยู่มันก็จะค่อยคายคายคายคายคายแล้วก็ดับอ๋อการดับไปของทุกเป็นอย่างนี้นะแล้วก็รู้ขึ้นไปอีกว่าเมื่อเรารู้จักทุกู้รู้จักว่ามีเหตุมากระทบแล้วเกิดรู้จากว่าเมื่อเราไม่ค่อยตามแล้วมันจะค่อยๆดับไปนี่แหละคือมัจการปฏิบัติให้ถึงความดับทุกพอเรารู้อยู่ว่าอ๋อนี้ทุกนี้เหตุที้เกิดทุกนี้ความดับไปของทุกนี้คือคางปฏิบัติให้ถึงความดับทุกมันจะ เกิดเป็นองค์ภาวนาขึ้นมาในจิตในสิ่งที่เรารับกระทบตั้งหัวจมูกนิ้นกายใจเอาแ ว, ว่ากูจะเอาพวกนี้เป็นการบ้านเอาพวกนี้เป็นเครื่องมือปฏิบัติแล้วว่าทีนี้เอาสิ่งที่เห็นเอาสิ่งที่ได้ยินเอาสิ่งที่สัมผัสเอาสิ่งที่กระทบใจนี่วะมันจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ต้องเอามันเป็นเครื่องฝึกเรียนรู้นี่นมันจะวุ่นวายแค่ไหนอ๋อวุ่นวายมีเหตุมากระทบเกิดแล้วก็ตั้งดูเราต้องตั้งมั่นเราต้องเห็นเห็นอาการพวกนี้เห็นเหตุปัจจัยพวกนี้ เนี่ยต้องบอกตัวเองอย่างนี้แล้วค่อยๆดับดับดับดับดับนะเป็นบทเรียนเอาเป็นบทเรียนไงนนถ้าบางครั้งมันกระทบแรงเกินไปบทเรียนซ้อมมาไม่ค่อยไหวมาวัดใหม่มาวัดให <c oughs> มให่เออมาปรุงแสงบุญกุศลใหม่เพื่อให้เป็นกําลังหนุนอ่าเอาบุญกุศลไปหนุนแต่อย่าลงบุญเอาไปหนุนเอาไปหนุนไปหนุนตัวเอง ถ้ไม่มีโอกาสมา ก, ก็ระลึกถึงบุญกุศลที่เคยทําไว้ให้หนุนยิ่งระลึกเมื่อไหรเท่าไหร่ยิ่งนึกมากไปเท่าไรก็เหมือนกับเราได้ไปทําบุญเหมือนคราวครั้งนั้นใหม่เข้าใจไหมเหมือนกับเราทําครั้งใหม่บุญครั้งใหม่จึงมีจาคารุสติเราตามระลึกถึงทานอันที่ตนได้บริจาคแล้วยิ่งระลึกเท่าไรมันก็ยิ่งเกิดความปีติความยินดีความอิ่มเอิบใจแต่ไม่ได้เอายึดเอาหลงบุญนะ เบรยุทธ์อเอาโหลมว่าเราได้ทําบุญอย่างเงี้ยบุญเป็นของเราเราเร า, เ, าเราเรามีบุญอะไรไม่ใช่จุดมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าที่ให้ตามระลึกถึงทานที่ตัวเองเคยบริจาคแล้วนี่เพื่อขอให้เกิดสมาธิคือให้จิตตั้งมั่นเพราะอะไรเพราะเวลาตามตามระลึกถึงทา น, น, นที่ตรงได้ให้แล้วเนี่ยจิตย่อมเป็นกุศลพระจิตเป็นกุศลย่อมนมมาซึ่งปีติปีติย่อมทําให้เกิดความสงบตระงับความสง บ, บระงับนํามาซึ่ง ความตั้งมั่นแห่งจิตอย่างเงี้ยเพื่อต้องการตัวสมาธินี้เพราะถ้าระลึกถึงบุญน่ะไอสิ่งที่ไม่ใช่ไม่ใช่บุญจะค่อยๆคล า, ายไปเองมันจะถ่ายถอนไปเองหากไม่สามารถทําได้ก็อาศัยการระลึกซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายตามระลึกถึงทางที่ตัวเองเคยบริจาคยิ่งระลึกมากเท่าไหร่ก็เหมือนกับเราไปทําบุญใหม่ในสิ่งที่เราเคยทํานั้นใหม่ทุกครั้งยิ่งระลึกมากเท่าไหร่ก็ยิ่งได้ทําบุญมากเท่านั้นนเป็นอย่างนั้นจริงๆนะ ขนาดนึกถึงคนที่โกรธเรายังโกรธเพิ่มขึ้นมากขึ้นใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเราถึงบุญก็ต้องบุญเพิ่มมากขึ้นอยู่แล้วนี่ยเป็นวิธีง่ายๆไม่ได้ติดเพอเอาเราเอาตัวสมาธิเราไม่ได้เอาตัวบุญเราเอาตัวสมาธิเพื่อให้จิตเราตั้งมั่นมาเห็นอารมณ์กระทบเนี่ยตามความเป็นจริงนึกคนนึกถึงคนที่รักความรักยังก็เพิ่มพูนขึ้นไปอีกเนี่ยเห็นไหมพระยาจิงให้นึกถึงอะไรบ้างอ่าในอนุสติสิบนึกถึงอะไรบ้าง ไม่ถึงอะไรบ้างแล้วลึกถึงพุทธเจ้าใช่ไหมล่ะพุทธทางสระนัาชามิพวนชาวพุทธเนี่ยโดยโดยพื้นฐานเลยต้องนึกถึงพุทธเจ้าพุทธทางสระนัฉามิธรรมสระนัฉามิสังฆสระนัชามิต้องระลึกอย่างนี้นี่คือสามอย่างนี้จะต้องไม่ขาดเลยนะในใจขาดไม่ได้ถ้าขาดนี่ถือว่าไม่ใช่ชาวพุทธ definite. อ่ะอต้องตามระลึกอะ่ะมันเป็นมันเป็นองค์คุณหนึ่งอ่ะที่เราจะต้องตามระลึก พุทธทางสันนิษฐามีแล้วลึกถึงพุทธเจ้าตื่นเช้าขึ้นมาก็นอบน้อมแล้ว ล, ลึกถึงพุทธพุทธโธมนาโธธรมโมมนาโถสังโฆ ม, มนาโธอย่างนีลึกถึงได้ไหมล่ะอ่าพุทธานุสติธรรมานุสติสังทานุสติจาคานุสติแล้วลึกถึงทานที่ตนเคยบริจาคแล้วศีลานุสติแล้วลึกถึงศีที่ตัวเองเคยรักษาแล้วอะไรอีกทีนี้หอย่างแล้วนะ เทวานุสติระ ล, ลึกถึงเทวดาว่าเทวดาประพฤติความดีอย่างนี้จึงได้ไปเป็นเทวดาเราแม้ถูกกระทบกระทั่งจากสิ่งที่จะทำให้ขาดเคลื่อนจากความดีเราก็จะต้องมาตั้งจิตให้อยู่ในความดีเพราะเทวดาชื่นชมสรรเสริญชมเชยคนที่ตั้งคนอยู่ในความดีเขาไปเป็นเทวดาได้เพราะความดีที่เขาทำเขาสามารถผาเผชิญกับสิ่งที่มันอารมณ์เรวร้ายในโลกนี้ได้เขาจึงไปเป็นเทวดา เทวาตารู้สตินึกถึงเทวด า, าอะไรอีก <Wow. S 1> มรณาสติแล้วนึกถึงความตายเพื่อป้องกันความไม่ประมาทความประมาทในชีวิตว่าโอเรายังอายุมากเรายังเรายังไม่แก่เรายังหนุ่มอยู่เราอะไรอย่างพอีเนี้ย ล, ลึกถึงความตายว่าความตายคนคนหนุ่มก็ตายได้ไม่ใช่ต้องรอแกอย่างงี้ยอะไรอีกเกิดแล้ว กายคตาสติแล้วลึกไปในกายเนี่ยถัดกรรมฐานสีเนี่ยเพราะฉะนั้นเวลาเจอปัญหาต่างๆปุ๊บอ๋อเราลึกเข้าไปในกายเลยใครด่ามาก็ด่าดได้ดินน้ำไฟลมดินไม่เห็นโกรธใครย น, นี่น้ำก็เห็นโกรธใครไอตัวโกรธมันเป็นตัวไหนไล่เข้าไปนี่กายคตาสติอ๋อไอความหลงผิดของใจนี่เองไปหลงในสิ่งที่เขาว่ามาว่าเป็นตัวเองเป็นตัวเราไปหลงยึดในตัวเราเนี่เองมันเลยเกิดความยึดมั่นถือมั่นมันจะค่อยๆคลาย ใครใครควาอมอผิดเพราะฉะนั้นใครด่ามาก็เฉยเฉยไม่ใช่เฉยเมย น, นะรับรู้ในความทางด้านปัญญาว่าเป็นเพียงแค่ดินน้ำไฟลมพกคนมันด่าลมด่าแรงก็ยังมีใช่ไหมดา่าฝนมันยังด่าเลยด่าดวงอาทิตย์มันร้อนยังไว้ดวงอาทิตย์เคยหยุดแผดแสงไม่หละ่ะก็ยังเหมือนเดิมมันก็ยังขึ้นตกขึ้นตกเหมือนเดิมเพราะมันไอเราเนี่ยเขาจะด่าเรายัางไงก็ตามก็เราก็ทําหน้าที่ยุ่งเราตามเดิมอย่าไม่ว่าเลยถ้าเราเข้าใจว่าี่สิ่งที่เราทํามันดีแล้วนะ แต่ถ้าอันไหนมันไม่ดีปุ๊บเราก็เอามาปรับเปลี่ยนตัวเองหรือปรับปรุงเอาสิ่งที่เขาว่ามาเสริมตัวเองให้ดีขึ้นอย่ า, อามาบีบคั้นตัวเองถ้ามาบีบคั้นตัวเองเก็บอารมณ์อยู่ภายในใจก็ทุกข์ใจเปล่าๆแปลข้อแล้วกายคตาสติอาณาปานาสติแล้วลึกถึงลมหายใจชีวิตเราก็แค่ลมหายใจเข้าออกจะไปเอาอะไรมากลมหายใจมันไม่ได้ยาวเหมือนกับสายไฟฟ้านะ มันก็มก็แค่เข้าแล้วออกก็หมดแต่แค่นี้แหละจะไปเอาอะไรมาถือสาหาความอะไรมากอะไรผ่านเข้ามาในชีตก็ต้องปล่อยมันออกไปเหมือนลมหายใจหายใจเข้าแล้วก็ต้องเอาออกเรื่องราวที่ผ่านเข้ามาทั้งดีและไม่ดีก็ต้องเอาออกลมหายใจที่ดีเข้าไปแล้วก็ต้องเอาออกลมหายใจที่มันไม่ดีเข้าไปแล้วหายใจไปแล้วไม่สดชื่นก็ต้องเอาออกหายใจแล้วสดชื่นก็ต้องเอาออกจะดีหรือไม่ดีเอาเข้ามาแล้วก็ต้องเอาออกทั้งหมดอารมณ์ในกรตามรับมาแล้วทางตาหูจมูกนิ้วกาใจก็คลายมันออก อย่าเอาไว้เอาไว้ก็ตายก็อึดอัดก็ทรมานลมหายใจหายใจเข้าไปไม่เอาออกมาก็อึดอัดแค่ไม่หล่ยก็ทรมานอาณาปานาสติอ๋อจิตใจเราก็สงบมันเข้ามันออกแค่นี่แหละถ้าเราเอาสติมาไว้อยู่แค่นี้มันก็ปฏิเสธอารมณ์อื่นแล้วอันสุดท้ายอันที่สิบอุปสมานุสติคืออะไรอุปสมานุสติเนี่อุปสมานุสติคือ สติระลึกในอะไรฮะระลึกในความสงบทางพารียดบอกว่าระลึกในความสงบเราจะระลึกยังไงระลึกถึงมัดเหรอความสงบระลึกถึงป่าเ <c oughs> ลยระลึกถึงที่มันเงียบๆเลยระลึกถึงความสงบหรือระึกถึงอะไรฮะอุปสมานุสติ อารมณ์อะไรเป็นที่สงบในโลกนี้อารมณ์ชนิดไหนที่เป็นความสงบสมาธิแหละแล้วถ้าคนไม่ได้เคยเข้าสมาธิจะนึกเห็นได้ไงพระนิพพานถานมว่าเอ า, เ, อ า, เ, อาเราไม่เคยเห็นพระนิพพานเราจะระลึกได้ยังไงระลึกโดยอุปมาอุปไมยอุปมาอุปไมยแบบไหนก็เทียบเทียงเทียบเทียงยังไงก็เทียบเทียงว่า โลกนี้มีความทุกข์พระนิพพานไม่มีความทุกข์โลกนี้มีความวุ่นวายพระนิพพานไม่มีความวุ่นวายโลกนี้มีแต่ปัญหาพระนิพพานไม่มีปัญหาโลกนี้มีความแก่ความเจ็บความตายนิพพานไม่มีความแก่ความเจ็บความตายระลึกในด้านด้านตรงข้ามเวลาเจอความทุกข์มากมายโอ้พระนิพพานนี้ไม่มีความทุกข์โอ้พระนิพพานมันมันเป็นธรรมชาติสงบเป็นธรรมชาติปณญญีเป็นธรรมชาติไรทุกข์เป็นธรรมชาติไม่มีทุกข์ นี่นาพุทเจ้าถึงสอนให้ไปพันธุ์พันธุในโลกนี้อะไรก็เจอแต่ความทุกข์มีเจอมีอะไรก็เป็นแต่ปัญหาอันที่ไม่ควรจะเป็นปัญหาก็มาเป็นปัญหาอันที่ไม่น่าจะเป็นก็มาเป็นปัญหาอันที่ควรจะเป็นปัญหามันดันไม่เป็นปัญหามันก็วุ่นวายอย่างนี้โลกพันธุ์พันธุ์ไม่มีสิ่งเหล่านี้พันธุพันธุ์หมดทุกพันธุพันธุ์ไรทุกพันธุพันธุ์ไม่มีความกังวลพันธุพันธุ์ไม่มีความวุ่นวายโอ้พันธุพาน์นี่ดียังเว้ยดียังเวยเรื่อยไปอย่างเนี้ยใช่ ประมาณนั้นสติระลึกแม้จะไม่เคยเห็นพระนิพพานก็ระลึกไปอย่างนั้นระลึกเทียบเดี๋ยวเราก็จะได้สัมผัสได้ระลึกไปบ่อยๆนะจะสัมผัสได้นะสัมผัสอารมณ์พระนิพพานเทียมๆแต่ไม่ใช่นิพพานจริงนิพพานจริงจะต้องสัมผัสได้ด้วยอริยมรรคเอานิพพานเทียมนี้ไปก่อนก็ยังดีก็ยังดีเทีบยบไว้ในใจ เราจะต้องปฏิบัติไปเพื่อความหมดทุกข์ความพ้นทุกข์ความไม่มีทุกข์ในพระนิพพานนั้นอันที่พระองค์ทรงตรัสไว้นี่คือหลักคําสอนที่พระองค์ทรงสอนให้พวกเรามีความฉลาดมีปัญญามีความหลักรู้ความเข้าใจไวเสียน่เข้าใจหรือเปล่าล่ะไม่ใมครเข้าใจเท่าไหร่ยังยังคิดตามยังยังทันได้เนาะ แช่ยอจับแจ่งขึ้นมาเยอะถ้าจิตต้องสนใอย่งนันเจะทยังไงเราถ้าเขาเปว่ายเราก็นั่งออยู่ในรถโอ้ยโลกนี่มันมันสังคมที่เราเป็นอยู่เขาไม่ได้พาเราไปในทิศทางที่ดีสักเท่าไหร่หรอกทั้งทังที่คนในสังคมเราก็เป็นคนที่มีความรู้มากพอสมควรนะบางสังคมบางพื้นที่บางหมู่บ้านบาง บางองค์กรมีความรู้เป็นรักด็อกเตอร์มีความรู้ชัน้นมหาป ร, ริญญาที่ลาสิขาออกไปในบางทีป ร, ริญญาเก้าประโยคไปทําการทํางานมีหน้าที่แต่พาทิศทางของสังคมไปนีทิศทางที่ผิดดีไม่ดีไปเป็นหัวหน้าของพวกบวงสวงพวกมหาป ร, ริญญาทั้งหลายเนะี่ยความรู้ทางพุทธศาสนาไม่เอาไปใช้เอาไปใช้ความรู้ของพานไปเป็นหัวหน้าพวกพิธีพวกเส้นไหว้ไปเป็นเจ้าพิธีอีกต่างหา บงคนก็ให้เหตุผลมาว่าใช้ในเชิงพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์ไม่มีหรอกเชิงอย่างนี้พวกมีแต่เชิงเห่งสัจจ์เชิงเห็นความจริงไม่ใช่เชิงพิธีกรรมอย่างนี้พิธีกรรมเชิงพุทธศาสตร์ไม่มีหรอกคือเหตุผลจะพูดมายัางก็ตามก็ขัดแย้งกับหลักความจริงวันนี้เข้าเหมือนกันใช่ไม่ได้เป็นเหตุผลที่ยังไม่ดี เนี่ยมันน่าแปลกที่ว่าทั้งทนี้คนในสังคมเราก็เป็นคนที่ทรงคุณค่าหลายคนทรงภูมิความรู้แต่ไม่เคยนําความรู้ทางพุศาสนาออกมาสู่สังคมที่ถูกต้องมันเลยทําให้สังคมอ่อนแอเต็มไปด้วยมิจฉาทิฏฐิเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่พุทธศาสนาแบบมิจฉาทิฐินี่เลยที่เราจะยกจ้องขึ้นมาเป็นศาสนาประจําชาติพุทธศาสนาน่ะดีอยู่แล้วไม่จําเป็นว่าจะเป็นประจําชาติไทยหรอกขอให้เป็นของประจําโลกนี่แหละจะจะใครจะชาติไหนก็ตามขอให้มาศึกษาเล่าเรียนพุทธศาสนาให้มันแจ่มแจ้งเถอะ พระฝัลล่งเขายังพูดอยู่เลยพุทธศาสนานี่คนไทยเนี่โชคดีที่เจอพุทธศาสนาแต่เสียดายที่ไม่ส น, สนใจเล่าเรียนคําสอนในทางพุทธศาสนาเขาเสียดายอย่างนี้เขาพูดพระฝรัลล่งที่เขามาสนใจเล่าเรียนทั้งๆทงี้เขาอยู่ในส่วนท่านทั้งหลายที่เขาที่ท่านเข้ามาศึกษานี่ยที่ท่านได้รู้สาระแก่นสารในทางพุทธศาสนาเขาอยู่ในส่วนของประเทศที่จเจริญแล้วที่วิทยาการล้ําสมัยความรู้ระดับที่ คนไทยนี่คนในเมืองพุทธเราตะเกตรตะกายไปศึกษาเราเรียนกันบินไปเรียนกันทังเมืองนอกแต่ท่านมาเรียนพุทธศาสนาในเมืองไทยเห็นไหมล่ะเพราะอะไรเพราะมันตอบสนองปัญญาที่แท้จริงได้ท่านชัยสาโลบอกว่าความรู้ในทางตะวันออกเนี่ยเป็นความรู้ที่พิเศษกว่าทางตะวันตกเพราะมันเป็นตอบสนองทางปัญญาจริงๆแต่ความรู้ที่เขาเรียนไม่ใช่ตอบสนองทางปัญญาเป็นแค่ความรู้เขาตีกอกให้รู้เท่านี้ก็รู้เท่านี้ เขาเขียนตำรามาให้รู้ตำอย่นี้ก็รู้อย่างนี้รู้เกินนั่นไม่ได้เกินนั่นโดยที่ไม่มีมาตรฐานการรองรับการพิสูจน์ที่แท้จริงก็ผิดอีกเขาไม่ไม่มีใครยอมรับแต่ทางโฆษณาของเราเป็นความรู้ในทางุฆษณาที่มีการมีมาตรฐานผ่านการพิสูจน์แล้วด้วยตัวของพุทธองค์เองคือพระองค์สัมผัสสัจจานั้นแล้วสามารถแทงตลอดได้ ในตัวบุคคลผู้เข้ามาศึกษาก็สามารถแทงตลอดในหลักสัจจะอันนี้พ้นเป็นความจริง น, นี่มาตรฐานในทางปรัสนะรองรับและมีความจริงในหลักธรรมชาติรองรับและพิสูจน์ได้โดยอาศัยสติปัญญาเป็นเครื่องมือในการพิสูจน์การสนใจศึกษาเราเรียนทำคำสอนสาระแก่นสารตเนี้ยเราไม่ค่อยสนใจตรงนี้มันมันไลยเสียไปสนแต่บุญแลไม่รู้เป็นบุญคือเปล่าไม่แน่ใจอีกอ่บุญ บุญที่เป็นตัวบุญกับบุญที่เข้าใจว่าเป็นบุญคนละอย่างนะบุญที่เข้าใจว่าเป็นบุญมันมันแค่ความเข้าใจแต่มันไม่ได้เป็นตัวบุญที่แท้จริงมันก็เป็นการทําบุญแบบหลงบุญแต่ถ้าเป็นบุญแท้ๆมีปัญหาหรอกมันก็ดีอยู่ เจอเหตุการณ์ก็ต้องต้องเข้าร่วมพิธีกรรมอย่างนี้ น, นะคะการปฏิบัติที่ถูกต้องเนี่ยก็คือเราก็ต้องแยกตัวให้ชัดเจนไปเลยอย่างนี้ถูกต้องใช่ไหมคะหมายความว่าให้ชัดเจนว่าเราเราไม่ได้เรามันเหมือนกับว่ า, วาจะจะแสดงตนเองเหมือนกับว่าคนนี้เป็นอิสลามคนนี้เป็นคิดจะไม่ขอร่วมกับาการประกอบพิธีแบบพุทธแต่จะแสดงต น, นออกมาอย่างนี้เลยใช่ไหม ว่าเราตองขอร่วมนั่นแหละหมายความว่าจะแสดงลักษณะให้เขาเห็นเป็นเป็นเอกเทศโดยเฉพาะไปเลยอย่างนั้นแบบแบบคนคิดคนนี้ว่าชัดเจนเลยว่าเราเราไม่ถืออย่างนี้แล้วไม่มีบทที่ว่าจะเกรงใจเจ้านายหรืว่าเกรงใจผู้บังคับบัญชาอันนี้ต้องต้องเกรงใจกันบ้างตามหลักของไอ้สพวุตริสาบัญญัติสาพุตริสาบัญญัติท่านท่านให้มีอะไรบ้างเกียรติประการ ไม่ใช่สัพพริสาบัญญัติขออภัยองค์ของสัตบุรุษเจ็ดหนึ่งรู้เหตุสองรู้ผลใช่ไหมรู้ว่าเหตุแห่งความสุขคืออะไรไแล้วเหตุนี้จะนํามาสร่งความสุขยังไงเหตุแห่งความทุกข์คืออะไรและเหตุนี้จะนํามาสร่งความทุกข์ยางไรใช่ไหมรู้เหตุรู้ผลว่าสุขนี้มีผลเอผลคือความสุขนี้มาจากเหตุอะไร ทุกผลผลคือทุกนี้มาจากเหตุอะไรเนี่รู้ผลใช่ไหมล่ะรู้เหตุรู้ผลรู้ตนตัวเรารู้ยุทธุจักตัวเองในฐานะของตัวเองว่าตัวเองอยู่ในฐานะอย่างนี้แบบนี้แบบนี้รู้รู้ตัวเองอ่าก็เรียกว่าียมตนรู้จักเจียมตนเหรอพูดง่ายง่ายรู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การการไหนควรทําอะไรการไหนควรพูดอย่างไรเนี่ยรู้การรู้บริษัทก็เรียประชุมชนนี้ประพฤติอย่างนี้ก็รู้ว่าเขาประพฤติอย่างนี้ก็ประพฤติตามประพฤติ ตามชุมชนที่เขาประพฤติกันเข้าใจไหมรู้รู้วัตสัจคือรู้ประชุมชนใช่ในองค์กรนี้ก็คือประพฤติชุมชนใช่ในองค์กรเขาพาทำอย่างนี้ก็<ๆ>ทําตามเขาแต่ไม่ได้ทําด้วยอํานาจของตัวเองทําด้วยอํานาจของประชุมชนใช่สัตสัตว์ัรบหลุษรู้รู้เหตุรู้ผลรู้ตนรู้การรู้ประมาณรู้ประมาณปริมาณประมาณคือการใช้ชีวิตให้สมควรให้ให้เพียงพอประมาณตัวเอง แล้วก็รู้บริษัทประชุมชนไหนควรควรประพฤติอย่างไรก็ประพฤติตามเขาแล้วก็รู้บุคคลว่าบุคคลไหนควรคบไม่ควรคบไม่ใช่ว่าเราเราอยู่ในประชุมชนทั้งหมดไม่ใช่ว่าเราจะต้องเป็นแบบนั้นทั้งหมดเราก็แยกตัวเองว่าอย่างไรเราควรจะประพฤติอย่างไรเราควรจะคบหาใครที่จะประพฤติอย่างไรอีกต่หากอันนี้คือแยกอันสุดท้ายเนี่ยคืออยู่ในชุมชนแต่ไม่เป็นอันเดียวกันกับชุมชน เข้าใจไหมเพราะพระพุทธเจ้าตัดอันสุดท้ายไว้ว่าต้องหาเลือกเลือกตังหาในข้อปฏิบัติของเราว่าข้อปฏิบัติไหนที่เราควรคบควรเสียไม่ควรศสียยังไงอย่างเงี้ยอันนี้คือเรื่ององค์ของสัตว์ปรุษเป็นองค์แห่งปราดเลย น, นั่นเองปราดพุทธนัดชาวพุทธเราต้องฉลาดอย่างนี้พระองค์ชี้ช่องทางไว้หมดแล้วข้อปฏิบัติที่ควรปฏิบัติ เราซิงไปย่งไงนี่เจอกั็นไงยาครับพอดีวันที่หึ่งผมจะกลับบ้านนะพอดีคุยกับเพื่อนคุยกับพี่ชายเรียบร้อยแล้ววิยาที่ผมต้มที่อันนั้นวันนั้นไ็คุยกันเนาะครับอันนี้หัวหน้าหัวหน้าควบคุมงานีีคนวันเกิดพอดีต้อมีวันเกิดตั้งโดยไม่ทานพวกแบบเร็้ยวเกิดวันไหนวันนี้ครับเกิดวันนี้เหรอ เกิดว <fl ush ed> ันนี้จริงๆอ่ะเกิดว่าที่ไหนว่ามันยิงโสงเงี้ยไม่ใช่เกิดวันนี้จริงๆเหรอเอาเกิดวันนี้จริงๆทําไมไม่ร้อกอูแแวอูแแว่ะล่ะเกิดเมื่อกี่ปีที่แล้วแสดงวันนี้วันคล้ายวันครบรอบเนาะไม่ใช่มันเกิดวันครบรอบที่ได้เกิดขึ้นมา อ, อ๋อรอบรอบสามสิบห้าปีรับไม่ถามุกล้อะ <c oughs> นรายการนิดหน่อยธมายุคสี่จุดศูนย์เขาจะถ่ายทอดออกไปทางไลฟ์ล <c oughs> <c oughs> นั่งคุยกันอยู่นี่ก็รับฟังกันรับชมกันอยู่ที่ฟังได้ไหม ที่ทำงานเห็นไหมเห็นไหมครับพออพยพอยู่ใช่ไหมพีหลายคนพอเหรอเพราะว่าเขามาไม่ได้ครับก็เลยวมาอนแล้วเาจะตามมาไอ๋อฟังกันอยู่นะโอ้ดีจัเป็นกใช่ครับมันขึ้นองผมเปุ๊บผมก็แบเปิดในกองเงินอ่ะอทัเปิดปุ๊บดังยอเียรายเขาี้มเครับแล้วก็ดูกันต่อเีอไปาอดีอยู่นี่มีคนดูหป่มีดูมีคนชมเยอะอยู่นะโอเค เราอยากดูวันนี้ผมแชร์ไม่ได้มแชร์ไม่เป็นอาานวันนี้อาวันนี้แชร์แล้วนะเอาละมากน้องวันนี้หรือจะถามอะไรอีกไหมมีคนถามมาีคนถามเข้ามาสมาธิจําเป็นต้องทำยาวๆไหมครับผมทําสั้นมากครับสมาธิอถ้าจะพูดตามแบบวิธีสั้นก็ได้ยาวก็ได้แต่ถ้าจะพูดตาม <แก S 1> ตัวของสมาธิแล้ว<ม>ต้องมีสมาธิตลอด<ม>คือสมาธิต้องรองรับตลอด สมาธิที่ทำแบบเป็นแบบแบบฉบับในการทำเนี่ยนะสมาธิเนี่ยอันนี้จะทําสั้นก็ได้ทํายาวก็ได้ตามาระยะเวลาที่เรามีตามข้อจํากัดตามโอกาสตามระยะเวลาแล้วก็ตามตามแบบวิธีที่ฝึกหรือว่าตามความเป็นไปของสมาธิที่มันจะตั้งมั่นได้ถ้ามันตั้งมั่นได้นานก็ให้เป็นเรื่องของสมาธิที่มันตั้งมั่นได้นานของมันเองถ้ามันตั้งมั่นได้สั้น ก็ไปเรื่องที่มันตั้งมันได้สั้นของมันเองไม่ต้องไปไปไปปรับไปแก้อะไรของมันสมาธิมันจะเจริญเติบโตเต็มที่ด้วยตัวของสมาธิก็เพราะเรามีสมาธิติที่ถูกต้องหากเรามีสมาธิติที่ถูกต้องสมาธิก็จะเจริญเติบโตของมันเองมันจะตั้งมันได้นานหรือลรือช้าหรือสั้นเราจะฝืนไม่ได้ยิ่งฝืนยิ่งฟุ้งซ่านแต่สมาธิที่จะต้องรองรับจิตอยู่ตลอดคือความตั้งมั่นที่เราจะกระทําสิ่งนั้นกระทําสิ่งนี้เด็กเนี่ยตั้งใจเรียน การงานเราก็ตั้งใจที่จะทําการงานในแต่ละวันให้รู้ล่วงนั่นคือมีสมาธิลองรับจิตอยู่ตลอดเวลาไม่ใช่ว่าสมาธิจะต้องไปนั่งอ่านหนสืออยู่เสมอไปอ่านนั่นไม่ไม่ใช่อันนั้นเป็นสมาธิในรูปแบบแต่สมาธิในการทําการงานคือตั้งใจที่จะกระทาสิ่งนั้นให้ดีที่สุดให้ยอดเยี่ยมให้มีผลงานออกมาที่ดีที่สุดนั่นคือความตั้งมัน่นในที่นี้คือสมาธิเข้าใจอย่างนี้ นอนดีนะอันนั้นก็ใช่อันนั้นก็ส่วนหนึ่งต้องเข้าใจว่าสมาธิคืออุบายสงบใจมใหมายถึงว่าเมื่อฝึกให้ใจมันสงบบ้างอย่าให้มันจะอยู่แต่ความวุ่นวายอยู่โดยตลอดเพราะเรารับอารมณ์ทางตาหงจมูกยิ้นกายใจเนะี่ยทั้งวันทั้งคืนในภาสะเราทําการงานมาผ่านมาไม่รู้กี่ปีเนาะสะสมมาสะสมมาสะสมม า, สสมาเป็นความวุ่นวายหาเวลาทำความสงบบ้างดูหัวให้จิตมันไปสัมผัสตรงความสงบบ้างเพื่อมันจะได้มีกําลังในการพิจรารณา องธรรมพี่นะความเป็นไปของชีวิตพี่นาะความไม่เที่ยงพี่นาะความไม่แน่นอนพิจารณาสัจธรรมพิีรณาอะไรก็ตามที่เป็นเครื่องกรอกให้เกิดปัญญาแล้วทำทําให้เราปัญญาทำให้เราได้เห็นอะไรบางอย่างในชีวิตว่า ช, ชีวิตเราหาความแน่นอนไม่ได้จริงๆเราไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นอะไรในตัวชีวิตนี้เราควรจะยึดถือธรรมะหรือเดินตามทำหาสาระเก่บสารที่เป็นประโยชน์จริงๆประเทเนี้ยสงบนิดหน่อยบ้างก็ยังดีไม่จำเป็นจะต้องเอายาวนาน เาชาวระดับชาวบ้านไม่ค่อยมีเวลายาวนานมากก็นั่งไปนั่งมาเดี๋ยวก็เป็นครูเดี๋ยวก็เหาะไปโรงเรียนเดี๋ยวทางานเดี๋ยวเหาะไปที่ทํางานอยู่ทัานมันเข้าฌานได้อย่างนั้นนะเอาจริงนะองฌานมันเ อ, อื้อประโยชน์ของการเป็นอย่างนั้นได้นะกายเบาใจเบาสบายขึ้นกันบางทีขี้เกียจนะทําสมาธิไปนานๆาขนี้เกียจ ไม่อยากทำการงานนะั้นมันอยากจะอยู่ในสมาธิอะสมาธิประเภท น, นี้ไม่ดีนะเป็นสมาธิโกชัสสสมาธิขี้เกียจเป็นวิชฉา <c oughs> ในนี้ก็ไม่มีถามแล้วมั้งหมดหมดครับหมดแล้วก็คงจะใช้เวลาพอสมควรแก่เวลาเท่านี้ขอให้ ผู้ชมผู้ฟังมีความสุขความเจริญทุกท่านและขอญาติโยมทุกท่านมีความสุขความเจริญเหมือนกันทุกคนขออํานาจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมัดาลบุญกุศลที่เกิดจากการถวายทานบุญกุศลที่เกิดจากการรับฟังธรรมเทศนาบุญกุศลที่เกิดจากการแสดงธรรมของอัตมาขอบุญทั้ง3าประการนี้จงเป็นมหาเถรชานุภาพอํา น, นวยโอยพรตอบสนองให้ญาติโยมทุกท่านเป็นผู้มีความสุขความเจริญเจริญด้วยจตุรพิทพพรไชยสประการ คือมีอายุที่ยืนนานมีผิวพรรณผ่องใสมีความสุขกายสบายใจมีภารกรรมรังวังชาวสมบูรณ์แข็งแรงและขออนุภาพแห่งบุญนี้จงมีฤีวิตมีอนุภาพมาลายสิ่งชั่วรายทั้งหลายทั้งปวงออกไปจากชีวิตจงบรรดาลสิ่งดีๆให้เข้ามา ส, สู่ชีวิตนุนนําพวกเราทั้งหมดให้เป็นผู้ก้าวล่วงจากทุกข์ทั้งปวงพ้นจากเวรภัยทั้งปวงก้าวล่วงความเดือดร้อนทั้งปวงพ้นจากอันตรายทั้งหลายทั้งปวงเข้าถึงความสุข ถึงพระนิพพานทุกท่านเธิน